ครืนมันแรงมากเรือก็โครงเคลงแล้วก็จนกระทั่งกลาสีเนี่ยตกลงไปจากเรือลงแม่น้ำเอ้ยลงมหาสมุทรไปเลยเขาก็พยายามร้องส่งเสียงเรียกนะเพราะว่าถ้าเรือเนี่ยทิ้งเขาไปเนี่ยเขาก็ตายแน่เพราะทะเลมันมหาสมุทรนี่มันเว่อรว่างเหลือเกินแต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้นะว่า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 อย่างปาโลมาเราเคยได้ยินนะว่าช่วยช่วยมนุษย์ที่ลอยคอยอยู่กลางทะเลบางทีก็มีการช่วยเด็กทารกนะซึ่งก็แปลกดีอย่างหลายปีก่อนนี้ที่อาร์เจนติน่าเนี่ยมันมีคนทิ้งเด็กเอาไว้เด็กแรกเกิดเลยนะแม่นี่คอลูกมาแล้วไม่รู้ทำไงกับเด็กก็เอาไปทิ้งในสวนสาธารณะบอกว่ามีแม่หมาตัวหนึ่งอายุแดขวบนะ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 คือไม่ใช่ลูกของมันนะแต่มันรักนะมันก็อยากจะช่วยตรงข้ามกับมนุษย์นะที่มีลูกแล้วนี่ทิ้งลูกเขาสื่อไปสื่อมาก็เพราะว่าแม่ของเด็กนี่อายุสิบสี่ขวบนะสิบสี่เท่านั้นแหละ <c oughs> ก็คงจะอยู่ยากนะถ้าเกิดว่ารู้ว่าใครๆใครๆรั่วตัวเองมีลูกน ะ, ะถ้าสังคมเนี่ยก็มีความไม่เข้าใจหรือมีความต้องการลงโทษเด็ก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 พ่อของมันน่ะกลับมาเด็กก็มันก็ปล่อยให้ลูกที่กลับไปอยู่กับพ่อนะนี่แม่เสือนะไอ้แม่สิงนะสิงโตอ่เป็นความประทับใจมากอ่าแล้วก็เตรียมรับพร